ผลทพความอยากมีอยากเป็นคือภวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภวะตันหาตันหาทั้งสามนี้เป็นเหตุที่จะให้ใจมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา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 วิธีสร้างความสุขใจก็คือดับความทุกข์ใจนี่เองวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ละกามตัญหาละภวะตัหาละวิภวะตัหาวิธีที่จะละวิภาวะกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัหานี้พระองค์ทรงเรียกว่ามร มักก็คือวิธีการปฏิบัต uh> uh ิว uh uh> ิธีการสร้างคุณธรรมที่เป็นเครื่องมือที่จะมาทําให้เราละความอยากทั้งสามนี้ได้เครื่องมือนี้เปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาที่รถเรายางแตกเราต้องการที่จะเปลี่ยนยาง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 ตันหาทั้งสามนี้ได้คือการะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเราต้องมีเครื่องมือต้องมีมรรหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมะต้องมีธรรมธรรมที่จะเป็นเครื่องมือในการละตันหาทั้งสามนี้ได้ก็คือทานศีลภาวนา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 หาความสุขจากการดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากเหตุคือกามมตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาเราก็ใช้ทานศีลภาวนาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาในการดับตันหาต่าง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 หายทุกแต่การแก้ความทุกแบบนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์ที่ถูกต้องเพราะความทุกขนั้นมันไม่หายไปมันเพียงแต่ถูกยับยั้งไว้ชั่วคราวพอเรากลับมาจากการไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของความทุกนั้นก็จะกลับเกินขึ้นมาใหม่เพราะความทุกข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 วิธีที่จะทำให้ความอยากนี้มันหดไปตายไปก็คือต้องไม่ลดน้ำพรวนดินคือต้องไม่ทำตามความอยากถ้าต้นไม้ไม่ได้รับการลดน้ำพรวนดินต้นไม้นั้นก็จ ะ, ตะ เ, เติบโตขึ้นมาไม่ได้และจะตายไปในที่สุดนี่คือเครื่องมือ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 สั่งให้มันไม่เจ็บมันก็ต้องเจ็บสั่งให้มันไม่ตายมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นอํานาตตามันไม่อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมบังคับของเรนี่นี่คือวิปัสสนาผู้ที่เห็นตายรักแล้วก็จะละความอยากต่างๆได้ละความอยากไม่แก่ละความอยากไม่เจ็บละความอยากไม่ตายละความอยากไม่พัดผ้าจากกันได้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 เมื่อเห็นทำแล้วก็จะละวิจิกิจชาได้ความนังเลสงสยัยแล้วก็จะละศีลพัตปร r มา a ได้ศีลพัตปร r มา a คืออะไรก็คือการประพฤตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพวกที่ยังไปหาหมอดูอยู่ไปสะดเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆอยู่นี้เป็นพวกที่ยัง ยังถือศีลับพัตะตปรมาดอยู่คิดว่าเป็นวิธีดับความทุกข์ได้ความทุกข์ดับได้ด้วยการบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อล่ตันหาความอยากเท่านั้นต่อให้ไปทำพิธีกรรมบวงสรวงเทวดาหรือทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งทำบุญถวายสังฆทานเก้าวัด1้อยวัดมันก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากตัรหาความอยากไม่ได้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 เตรียมไว้อยู่แล้วเอาอาสุภะมาฉายปั๊บเดียวการอารมณ์ก็จะดับไปทันทีเวลาเกิดการอารมณ์คิดถึงร่างของคนตายคิดถึงซากศพแทนที่จะได้คิดถึงภาพร่างของนางงามจั ก, กรวาลร่างของดาราภาพยนตร์ให้ไปคิดถึงซากศพของเขาคิดถึงเวลาดาราภาพยนตร์ตายไปคิดถึงเวลาที่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 ต, ต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังกันเพราะมันไม่ได้ดูน่าชมาแต่ผู้ที่ต้องการที่จะละการมลลมนี้จําเป็นจะต้องบังคับตนเองให้ดูอยู่เรื่อยๆดูจนกระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมให้มันติดตาติดใจไปตลอดเวลาเวลามองเห็นร่างกายของไขน่นี้จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเสม อ, อถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเสมอนี้ การมารมจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ผู้ที่สามารถที่จะเจริญอสุภกรรมฐานได้เขาเรียกว่าได้บางส่วนบางเวลาก็จะบรรลุอริยขั้นที่สองได้คือได้บรรลุเป็นพระสกิดาคามีคือสามารถทำให้การมารณมนี้เบาบางลงไปได้เช่นเคยมีการมารลมระดับร้เ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 พอพิจารณาทําให้การอารม์เบาบางลงก็ได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาขามีแล้วถ้าสามารถพิจารณาสุภาษให้เห็นได้ตลอดเวลาจนสามารถกาจับการอารมณ์ได้ตลอดเวลาจนไม่มีการอารม์หลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะได้บรรลุอริยะผลขั้นที่สามก็คือขั้นพระอนาคามี ถ้านาคาเมียนี้จะไม่มีความรู้สึกต่อร่างกายของผู้ดูแล้วก็จะเฉยๆถ้าเกิดการมาลเมื่อไหร่ก็จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีหรือจะมองไปถึงสภาพเป็นซากศพทันทีเพราะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพดีๆนี่เองการมาลเ ม, มื่อก็จะหายไปผู้ที่บรรลุ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 เห็นร่างกายก็เห็นเป็นซากศพเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังพระอนาคามีก็จะหลุดออกจากความทุกข์ของการมีกามอารมณ์ของการมีการมรัญนาแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เป็นขั้นสุดท้ายท่านก็จะไป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 ยังติดอยู่ในกามารมณ์แ่ว่าแบ่งเป็นสอ ง, สองฝ่ายฝ่ายฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปผู้ที่เสกกรรมด้วยการทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรเป็นนสุรกายไปตกนรกผู้ที่เสกการมด้วยการไม่ทำบาปก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาถ้าได้ทำบุญนี่คือเรื่องของ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 ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีกขั้นต่อไปนี้ต้องเป็นขั้นของพระอาหารหันต์คือต้องเจริญอรหัตธรรมต้องละสังโยชน์อีกห้าข้อด้วยกันคือต้องละรูปราคะความติดในรูปปาญอารูปราคะความติดในอรูปปญัญญามานะความถือตัวปุถัจจ์ความฟุ้งซ่านและอวิชชา ความหลงความไม่รู้ความไม่รู้ความ อ, อริยสัจยังไม่เห็นอริยสัจที่ละเอียดที่มีอยู่ในจิตเนะี่ยเห็นอริยสัจที่อยู่ที่เกี่ยวกับร่างกายพระอนาคามีนี้เห็นอริยสัจเกี่ยวกับร่างกายเห็นว่าทุกข์เกิดจากการใบมีการอารมณ์กับร่างกายพอละการอารมณ์ได้ความทุกข์นั้นก็หายไปแต่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 าารพระอรหันต์ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ต้องพิจารณาและตัดสังโยน์อีกห้าข้อนี้ให้ได้ละการยึดติดในฌานละการติดในรูปประฌานละการติดในอรูปประฌานละการถือตัวละถือว่าตัวเราใหญ่กว่าเขาเท่าเขาเล็กเล็กกว่าเขาแล้วก็ละความพ้งซ่านของใจ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 เวลาที่ไปเจริญวิปัสสนาขั้นอาลัสตามักแล้วมันมักจะเลยเถิดจึงทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนที่จะตัดกิเลสตัณหาได้กลับไปสร้างกิเลสตัณหาขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวก็ต้องแก้ไขไปด้วยการพักจิตเอาจิตเข้ามาในสมาธิพักจิตให้มันสงบให้มันสบายให้มันเย็น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 นิบานังปาละมังสุ ข, ขังก็ปรากฏขึ้นมาทันทีในขณะที่ตัญหาหรือสังโย ต, ตั้งหลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่คือเรื่องของการดูแลหรือการสร้างความสุขดับความทุกข์ให้กับใจต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและทรงสั่งสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญกันอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ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 ความทุกข์นี้ต้องอยู่บ้านแล้วก็นั่งภาวนากันจเจริญสามถาสตภาวนาวิปัสสนาภาวนาละความอยากกันถ้า ล, ละความอยากได้อยู่บ้านแสนจะสุขแสนจะสบายไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปติดรถบนท้องถนนกันพวกเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์กันชอบสร้างความทุกชอบดับความทุกข์ด้วยการสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมา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 เอกที่ต่างปฏติต่างตุ่มหางคิดป้าเมวะสมิจฉาโตสัพเพปเรนโตสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีคาโยโกภวะ อภพิวาธนสีลิจะมิจังวุธาปจายีโนจัตโารโธรรมะวะทานติอายุวโนสุขังภาลาัท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอความกรุณานได้มาถามผ่านทางไมโครโฟนถามได้เลยการนมัตการอาจารย์ครับผม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 ถ้าบริกรรมทีนี้ได้ไหมครับได้ทีก็ได้ช้าก็ได้ตามสบายแล้วแต่เหมือนขับรถบางทีก็ต้องเร็วบางทีก็ต้องช้าขึ้นอยู่กับสภาพของถนนครับผมข้อสองครับการนั่งสมาธิต้องตัดความกังวลงานที่ค้างหรือเปล่าครับทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านทำให้เสร็จก่อนหรือเปล่าครับก็มันจะกังวลมากถ้ามีหน้าที่การงานที่ต้องทาก็ต้องทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน คอยมานั่งใช่ไหมครับใช่เพื่อที่จะเอาทรรมนี้่มีเพื่อนแนะนาว่าให้ต้องตัดเฟซบุ๊กตัดไลน์ออกแต่ใจจริงก็ในเฟซในไลน์นี้ต้องดูข้อมูลข่าวสารแชร์ธรรมะ ก, กับเพื่อนทางธรรมตัวนี้ยังทาไม่ได้ตัวนี้จำเป็นไหมครับก็ทำไปตามกำลังของเราก่อนในที่สุดแล้วถ้าจะบาเพ็ญอย่างเต็มร้อยก็ตัดบดเลยไปอยู่ในป่าคนเดียว อครับผมข้อสี่ครับการที่เราอยู่ใกล้ภาพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วที่สอนถูกต้องตามหลักธรรมแล้วจำเป็นต้องสอดสวงหาครูบาอาจารย์ท่านอื่นไหมครับเพราะการอสอนของแนวทางของท่านก็เหมือนกันคือทางหลุดผลครับถ้าเหมือนกันแล้วไปทำไมละเพราะบางเพราะบางคนก็อาจจะชอบ จลิตแบบว่ารุนแรงบางคนอาจจะชอบแบบว่าสอนเบาๆอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องไปตามจริตกันแล้วกันครับผมแล้วก็การทําทานครับพอดีเคยอ่านในพระไตรปิฎกการสมัยพุทธกาลคือการทําอาหารต้องเน้นที่ปาเนี่นี้อันนี้สองมันแตกต่างกันใช่ไหมครับคือมันจะได้อันนี้สองทางจิตใจ ถ้าเราทำอะไรด้วยความปราณีตแสดงว่าเราทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความมีสติถ้าเราทำแบบไม่ปราณีตก็ทำแบบไม่มีสติยิ้นผลแตกต่างกันทางจิตใจของผู้กระทำที่ให้ทาอะไรด้วยความปราณีตนี้ก็เพื่อเป็นอุบายให้เราสร้างสติขึ้นมาครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวนาด น, นึงนะครับ แต่ขอเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเรื่องการทางานครับคือหัวหน้าห้ามนำโทรศัพท์ที่มีกล้องเข้าไปในไลน์แต่ว่าเป็นข้อห้ามกดเข้มข้นแต่แรกๆแต่บางหัวหน้าบางท่านก็ว่าเอาเข้าไปได้แต่ว่าห้ามเล่นในไลน์หรือโทรก็ไปเล่นในห้องน้ำอะไรอย่างนี้โทรได้แต่ไปเอามามันก็ปฏิบัติไม่ได้มันเหมือนเดิมตอนนี้มันจะเป็นข้อวัดเล็กๆนน้อยไหมครับปฏิบัติอะไรไม่ได้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 เอาไปทำบุญใส่บาทกับพระอาจารย์แล้วก็วันนี้มีเทศตอนบ่ายเออไม่ไปแล้ววะทำบุญไปแล้ว อ, อะไรเงี้ยะแต่ว่าเอ้ยไม่ได้ต้องไปคือตัดสินใจไปไปไม่ไปไปไม่ไปอย่างเงี้ยสุดท้ายไปโอ้โหมันรู้สึกโล่งอาจารย์ด้วย ก, <c oughs> กับคำถามผมก็คือว่าผมอยากจะสอบถามว่าการกวาดลานวัดเนี่ยนะครับ สามารถทําสมาธิได้อย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับก็คือเกิดจากเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมไปที่มณฑปะนะฮะมันมีขยะอยู่ที่บันไดยเยอะเลยนะฮะหลังจากฟังเทศที่นี่ไปผมก็ไปกวาดนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จอนะครับมาอีกวันหนึ่งกวาดจนถึงสามโมงเย็ น, นะฮะคือกวาดไปกวาดมากกว่าาดไปกวา ด, วาดมาก็เรารู้สึกว่าพอจับไม่กวาดเนี่ยมันมีความสุขมันรู้สึก บอกไม่ถูกครับอาจารย์ถึงจะไปกวาดที่บ้านก็เหมือนกันสามารถเป็นครับได้เป็นได้ถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับการทำงานของเราใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็สงบได้ครับผมบบโอ้ไม่แปลกใจที่ว่าที่วัดท่านบอกลงมากวาดลานวัดอ๋อ ค, ครับผม กับอย่างน้องเมื่อกี้เนะี่ยที่บอกว่าเล่น facebook เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีผลมากเลยกับการปฏิบัติบอกได้เลยฮนะ <c oughs> อย่างไปเจอปุ๊บไอ้ที่เราไม่ชอบใจปุ๊บเนี่ยมันต้องคอมเมนะ <c oughs> <c oughs> ต์นะนะตรงคอมเมนต์จบซึ่งซึ่งมันมันมันอดไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะอะเราไปเห็นอ ะ, อะไรหลายๆอย่างที่ไม่ถูกใจอนะครับตรงนี้งดได้นี่ถูกใจมากเลยต่างงดได้นะครับข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สองก็คือจาก คำถามที่ผมเคยถามพระอาจารย์ว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยนะฮะห่วงเหงาห่าวนอนเนี่ยนะฮะมันมันเยอะมากเลยอาจารย์บอกว่าต้องอดอาหารอ่าผมก็บอกเคยอดมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอ่ะนะคราวนี้อดให้ได้เยอะนะครับคือเอามือเดียวแบบพระเลยพูดถึงนะจะหิวก็ให้มันหิวนะอาจารย์บอกว่ากินน้ําหวานเน่ยนะสู้กินน้ําเปล่าไม่ได้อาาจน้ำเปล่าก็ได้ตาอแผงอาจารย์บอกออผล ผลบอกได้ทุกคนเลยนะครับว่าดีขึ้นครับอันนี้อันนี้อันนี้นนประสบการณ์ครับผมตองเกตครับผมมีแค่นี้ครับกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ครับน้อมสักการพระอาจารย์ครับก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าการบรรลุพระอริยเจ้าขั้นโสดาบันก็คือต้องละสไ ก, กายทิฏฐิวิจิกิจชาศีละพัตตปรามาตได้แล้วนี้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 ในเมื่อคําสอนมีอยู่มันก็ต้องมีคนสอนคนสอนก็คือพระพุทธเจ้าคําสอนก็คือธรรมที่เราเอามาปฏิบัติจนเราได้ประโยชน์จากการปฏิบัตินี้แล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมก็คือผู้ปฏิบัติก็คือตัวเราเนี่ยเราไปสงสัยอะไรในพระพุทธธรรมประสงว่ามีจริงหรือเปล่าเราจะไปสงสัยว่าเราเป็นโสดาบันหรือไม่มันไม่สงสัยนะถ้ามันรู้อยู่แก่ใจ เรับเพราะว่าเหมืนกินข้าวอิ่มแล้วต้องไปสงสัยแล้วว่าวอิ่มหรือไม่อิม่มเอครับเพราะว่ามันเกิดนิมิตเหมือนเดิมครับอาจารย์มันไม่เกี่ยวกันนิมิตนี่การปฏิบัติเรือปรัสนานี้ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนิมิตนมันเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลอเรื่องอริยสัจสี่ที่จะให้เห็นให้เห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของเราว่าตอนนี้มันไปในทางทุกข์สมุทัยเรื่องมันไปทางมากกับนิโรธ ถ้ามันไปทางทุกข์กับสมุทัยต้องเดึงมันกลับมาให้มันเข้าสู่ทางมรรคกิริย์เท่านั้นเองครับอย่างมีพระนั่งกรรมฐานอยู่นี่ส่งดอกบัวแล้วมีแสงสว่างอยู่ข้างในดอกบัวส่งมาให้ตัวกับผมเนี่ยครับไม่สําคัญของพวกนี้อย่าไปสนใจมันเป็นมายาภาพลวงมันไม่เป็นมรรคเป็นผลแล้วมันจะทําให้เราหลงทางได้ อย่าไปสนใจมันไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลมรรคผลต้องเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรดเห็นมรรคเท่านั้นครับผมกราบขอพระคุณพระอาจารย์ครับมาัำหาต่อไปต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากมีผู้ฝากถามกรณีที่เราไปร่วมงานบุญพิธีหล่อพระ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 สติไม่ใช่เกิดจากสังขารสติเกิดจากการอ่อเกิดจากการตั้งจิตตั้งใจของใจสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดสติหรือไม่มีสติสตินี้เกิดจากความตั้งใจที่จะให้ใจทำอะไรกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิดสติขึ้นมา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 ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาดอกรับให้นึกถึงภาพที่เรานอนอยู่ในลงสมเพราะมันเป็นการเจริญนรณานุสติมันจะทำให้เรายับยั้งความโลภความโกรธความอยากต่างๆไปได้ในระดับหนึ่ ง, งนั้นพยายามทำไปก่อนจนกว่าเราจะสติเราจะมีกำลังมากพอที่จะกำหนดเผาร่างกายได้เราค่อยกำหนดเผาต่อไป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 ถ, ถ้าอยากจะได้ทำมากๆอยากจะได้เมตตามากๆ ก, ก็ต้องสละให้กับคนที่เราไม่รักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สละกับคนที่เรารักคือให้สละกับทุกคนดังที่พระเจ้าทรงสอนในบทแผนเมตตาว่าสัพเพสัตตาคือให้มีความเมตตาต่อสรร พ, พสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตาม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 คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ปัญญาเป็นสิ่งที่จิตมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากจิตเรายังไม่สว่างถูกอวิชชาครอบอยู่จึงมองไม่เห็นเราจเจริญสมาธิเพื่อขัดเกลีวอวิชชาออกเพื่อมองเห็นสิ่งที่มีอยู่หรือว่าปัญญาเป็นสิ่งที่จิตต้องสแสวงหาและสร้างขึ้นโดยการจเจริญวิปัสสนา หากเป็นอย่างหลังแสดงว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานทางปัญญาไม่เท่ากันแล้วทำอย่างไรจึงจะเจริญปัญญาได้ผลมากและเร็วคะการเจริญปัญญาพระเจ้าก็ทรงสอนว่ามีอยู่สามระดับอยู่สาขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าภาวนอาอสุตตมยปัญญาคือการเจริญปัญญาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังความรู้ของผู้อื่น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 เบิกทางเท่านั้นเองขั้นที่สองก็คือเราต้องเดินเดินเดินตามทางที่ปัญญานี้เบิกทางให้เราคือเราต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้มาใค่ายควรมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลืมเพื่อไม่ให้หลงขั้นที่สองนี้ท่านเรียกว่าจินตามายาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ายควรพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อย่างพระเจ้าทรงสอนว่าให้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 ผู้บังคับบัญช า, าแต่เราไม่เอาอาวุธติดตัวเราเอาไว้ที่บ้านพอเราเออกไปปฏิบัติการพอจะใช้อาวุธก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้เอาอาวุธติดตัวไปด้วยถ้าอยากจะมีอาวุธติดตัวไปเราก็ต้องพิจารณาต้องพิพจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้พอเกิดความแก่เจ็บตายขึ้นมาก็จะไม่ตกใจไม่กลัว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 พอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเหลือเจ็ดวันเจ็ดเดือนทีนี้ก็เข้าห้องสอบแล้วถ้ามีปัญญาก็จะเฉยก็พิจารณาอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแล้วห้ามมันไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงก็ต้องทำใจทำใจก็ทำใจเฉยเฉยเฉยเฉยก็ไม่ทุกข์ใจ ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ด้วยปัญญากรณีขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่ใช้กับเหตุการณ์จริงเวลาเราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนนี้เป็นการสมมุติเป็นการซ้อมซ้อมลบไว้ก่อนเวลาทหารเขาจะซ้อมลบนนเก็ซ้อมกันไว้ก่อนไม่ใช่อาวุธจริงแต่พอเวลาเข้าสงครามจริงๆตอนนั้นเขาจำต้องใช้อาวุธจริงปัญญาจึงมีสามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือ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 วันนี้พวกเราก็มาเจริญปัญญาขั้นแรกกันขั้นเบิกทางก็คือสุตตมยปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมขั้นต่อไปถ้าอยากจะรักษาปัญญานี้ไว้ก็ต้องเอาไปพิจารณ า, ถ, าถ้าจำไม่ได้ก็เปิดเปิดซจดีฟังได้เปิดยูทูบฟังได้มีสมัยนี้สบายเพียแต่เรา ม, ามันมักจะขี้เกียจกันฟังหนเดียวแล้วก็พอ เราก็ไม่มาคิดค่ายกวนกันแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปอาทิตย์หน้าก็มาถามปัญหาอันเดิมอีก <c oughs> ต้องเอาไปาค่คยวนพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เรียกว่าจินตามยปัญญาเมื่อมีจินตามยปัญญาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็ใช้ภาวนามยปัญญาได้จะเป็นภาวนามยปัญญาต้องมีสมาธิสนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีแรง ไม่มีแรงสู้กับตันหาความอยากที่สร้างความทุกข์ได้งั้นนอกจากการฟังธรรมแล้วต้องไปภาวนาด้วยต้องไปเจริญสมถะภาวนามาเจริญสมถะภาวนาแล้วก็มาเจริญวิปัสสนามาไข้กวนอยู่เรื่อยๆสลับกันไปสลับกันมาระหว่างสมถะกวิปัสสนาจนกว่าเราจะไปเจอข้อสอบก็ดูว่าผ่านไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมาเจริญสมถาภาวนาวิปัสสนาภาวนาใหม่เหมือนเด็กสอบตกต้องมาทำการบ้านใหม่มาดูหนังสือใหม่มาติวใหม่แล้วก็รอสอบรอบต่อไปใหม่เนีนี่ก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาก็ต้องเป็นแบบนี้หมดคำถามจากทางบ้านค่ ะ, ะก็ดี <laughs> มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม เรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะประกาศให้ทราบคือเรื่องวันหยุดพิเศษอะไรต่างๆนี้คือไม่อยากจะประกาศว่าจะมีเทศหรือไม่มีเทศเพราะว่าจะเทศมันก็ต้องมีคนฟังประกาศว่าจะเทศแล้วไม่มีคนมาฟังมันก็เทศไม่ได้หรือมาฟังสองสามคนมันก็ไม่อยากจะเทศเพราะมันไม่มันไม่คุ้มเหนื่อยเข้าใจไหมเปิดโรงหนังนักทีมันต้องให้คนเข้ามาเต็มโรกมันจะได้คุ้มค่าน้ําค่าไฟเข้างั้นวันหยุด มันหยุดต่างๆที่เนือเหนือจากวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ประกาศแต่ก็อยู่กับเหตุการณ์แต่ใครมาก็ต้องพูดน่ยจะพูดมากพูดน้อยเท่านั้นเองก็ต้องมีการพูดอยู่แต่จะบอกว่าจะให้เทศเหมือนวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่นี้ไม่ไม่กล้ารับปาอาจจะมาแค่ในศาลานี้ก็จะพูดกับเฉพาะในศาลานี้แทต่จะพูดชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะพูดเพียงครึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะบางทีมันมีเหตุการณ์อย่างอื่น วันธรรมวันที่ไม่ใช่เป็นสาวาทิ์บางคนมาต่างเวลากันมาถึงก็จะเข้ามาถวายของกันบางทีผู้ธรรมะได้สองสามข้อก็ต้องหยุดเพราะคนใหม่เข้ามาเข้ามาก็อยากจะมาขอถวายของข้าวของอะไรมันก็เลยไม่เป็นกิจลักษณะเหมือนกับกิจกรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นก็ขอประกาศว่าวันหยุดก็มาได้บ่ายสองโมงทุกวันวันไม่หยุดก็มาได้ปกติถ้าไม่มีธุรกกิจก็จะมา รับญาติโยมเสมอถ้าไม่มีธุระกิจหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาแล้วก็แล้วแต่เหตุการณ์จะพูดมากพูดน้อยนะี่ก็อยู่กับผู้มาฟังด้วยว่ามีภาชนะมาลองรับไปได้มากได้น้อยบางคนเอาถ้วยมานิดเดียวจะให้เทก็ <c oughs> ต้องเทได้ให้นิดเดียวเข้าใจนะก็ขอทำความเข้าใจอยากจะถามเหรอ ค่รระเรื่องของการให้ทานค่ะพระอาจารย์บางทีเราทำงานมาเหนื่อยยากเพว่าจะได้งเงินมาเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทานแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เยอะเพราะว่ามันก็เหนื่อยพอ ร, ราทางานมาเนี่ยค่ะเราจะคิดยังไงเพื่อที่จะให้ทานได้ง่ายขึ้นะ ค, ะค่ะก็คิดเสียว่าเราจะได้ไม่ต้องทำงานเงยเพราะเมื่อเราเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินต่อไปเราก็ไม่ต้องทํานไม่ต้องหาเงินที่ทให้ทำทานเพื่อที่เราจะได้เลิกใช้เงิน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 อย่างนั้นใช้ให้มันหมดไปเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นก็พอแล้วต่อไปจะได้เลิกทำงานได้ทำไปทำไมทำมาแล้วก็ต้องใช้มันหนื่อยแล้วก็ต้องมาใช้เหมัอนแล้วใช้เรากลับเป็นโทษใช้ไปใช้ไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหาแทนที่ความทุกข์มันจะน้อยลงมันก็กลับจะมากขึ้นอีกอันนี้ในเรื่องของการรักษาศีลนะคะอย่างศีลข้อแรก อย่างสัตว์บางชนิดเนี่ยค่ะมันก็เหมือนจะทำร้ายเราอย่างเช่นยุงกัดเงี้ยมันมันก็เจ็บค่ะพระอาจารย์บางทีก็ไม่อยากให้มันกัดเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะเจ็บแล้วก็ลาคาญเราจะต้องคิดยังไงดีค่ะพระอาจารย์ก็คิดว่าเวลาฉีดยามันเจ็บแค่นี้เรายังทนได้เลยแล้วมันมันเจ็บแค่นี้จะเป็นอย่างไรแล้วลองคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเขาเป็นเราจะเป็นอย่างไรเขาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ฮเพื่อประทังชีวิตของเขา การที่เราให้เขากัดเรามันก็เป็นเป็นทานอย่างหนึ่งคิดว่าเป็นการทําทานอย่างหนึ่งหมาเรายังเลี้ยงได้เลยภาษาแม่หาข้าวหาเครื่ไม้มันกินได้แล้วยุงเราทําไมจะเลี้ยงมันไม่ได้กับศัตรูค่ะพระอาจารย์ไม่มีใครอยากจะถามเลย น, นะถ้าไม่มีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้